ซีดีทัมาบรรยายุฟังทีไรได้สึกทุกที่โดยรพระฐมนตรีกุณากรอ อ, ออปุริโตวัดยาแนวศักวันตำบลบางกระทึกอําเภอสามราษจังหวัดนคนรปฐมเรื่องที่13สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างบรรยายแต่พระนวกกรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539ันหาวถึงเรื่องความสุขท่านเนื่องตุงแต่งก็คิดว่าจะไม่ยาวมีเราปรพูดมาแล้วถึงความสุขหลายระดับ ในระดับนี้ก็ถึงระดับสูงสุดนความสุขนี้ก็มีข้อย้ำอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็ดีแต่ว่ามันก็มีโทษได้ในแง่ที่ว่าไปหลงติดในที่ว่าไปแล้วถ้าไปติดปับ๊บเราต้อเกิดพ้นาดันทีแต่ติดหลงเพลินเพลินมัวเมาก็ทำให้เกิดความประมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ตัดไว้ว่านอกจากให้ไปสุขที่ชอบทําแล้วก็ยังไม่ให้หลงติดเพลินสยบด้วยแต่ความสุขแท้ทุกอย่างก็จะมีติดได้มีอยู่ขั้นเดียวเท่าจะไม่ติดก็คือความสุขขั้นเรียบรูปแต่งนี่แหละถ้าเรียบรูปแ ต, งต่งตนะ ความสุขที่บรรลุได้จิตของผู้ที่เป็นอิสระแล้วนั่นมันก็เลยไม่มีเชื่อที่จะให้ติดหมายความว่าตัวเหตุปัจจัยที่จะทาให้ติดมันไม่มีทั้นผู้บรรลุสุขันสูงสุดนี้แต่กระทั่งนี้ก็ต้องหมายถึงหมดเอสวรก็ถึงเป็นพระอรหันต์นั่นเองทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ยังอาจจะทาให้มีแง่คว่าเป็นสุขที่มเนื้อรูแต่งีในกรณีที่เป็นพระระยะอื่นๆยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะยังติดเพินได้เหมือนกันที่ว่าไม่ติดเพินนี้ก็หมายถึงน ก็มาถึงสุขของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานโดยแท้จริงแล้วเนี่ยจึงจะไม่มีการติดเพนอีกทำไมติดเินก็ไม่มีทางที่จะประมาทก็ได้จ้าวตรัสไว้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่อาจจะประมาทนี่การที่เข้าถึงความสุขระดับที่เนือปรุงแต่งก็เป็นการเข้าถึงได้ปัญญาปัญญาที่เข้าถึงความจริงนั่นเองหมายความว่าได้รู้เข้าใจสังขารหรือเห็นโลกแลชีวิตนี้ตามเป็นจริงหรือจะใช้สนุนมาตามที่มันเป็นก็ได้ไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นเข้าถึงความจริงแล้วจิตที่เข้าถึงความจริงแพร่นี่มันก็ไม่มีอะไรจะ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 ความผิดขาดก็เกิดขึ้นในขนานั้นแม่จะได้สิ่งบำบูมบำเบลสบายอย่างไรก็ติตมันก็กคลองมันก็ไม่ได้ปลงได้ลนี่เมื่อไราเกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทําอะไรต่ออะไรอย่างไรเนะี่ยความโลง่งปลงเบาก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์ไปดีสระหรือดับทุกข์ได้อันนี้มันเป็นความสุขในตัวเองเลยการที่ว่าหมดปัญหาจิตไม่ติดขัดรูว่จะต้องทําอะไรต่ออะไรอย่างไรการที่รู้เข้าใจทางปัญญาเนี่ยเป็นความสุขอยู่ในตัวเองและเป็นความสุขที่มีลักษณะแปลกถือว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ต้องการการบำบยูมป่่เบบบบาาาามมมนกก็สสคคคววววุุุุขขแแีรรททือ ดับทุกจะใช้คำยังไงก็แล้แตนะ่อันนี้ปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงนะอันนี้มันจะรู้เข้าไปจะถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตในขั้นสุดท้ายอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือรู้สภาพของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่มันเป็นไปตามความจริงของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นของไม่เที่ยนเกิดแล้วดับไปไม่อยู่ในภาวะเดิมและไม่มีภายใเนเจ้าของคุณธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนะี่ยความรู้ความเข้าใจความจริงอย่างเนี้ยจนถึงกระทั่งรู้สว่างลง่งมันจะทําให้จิตเนี่ยวางตัววางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง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 เพราะนั้นจิตใจก็จะวาง ท, าท่าผีต่อสิ่งทั้งหลายนี่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเป็นปัญหาแก่นตนเองมีความสัมพันธ์ด้ยปัญญาก็จะมีออกมาสู่เรื่องของการที่ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะำดำเนินชีวิตอย่างไรด้วยในคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็หนึ่งก็มีความปรารถนาต่อสิ่งเหล่านั้นมีความต้องการให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการ 2. ในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติเนี่ยเขาแยกไม่ออกเขาก็นึกว่ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาก็เกิดความขัดแย้งกระทะกันก็เกิดปัญหาที่เร ย, ววเรเยกมกมุเป็หือนว่าาาเเรรพูดปป็นกะแสไว่จของควลาไปเกกี่ยวข้อองัะไร เราก็มีความต้องการต่อสิ่งนั้นอยากให้เป็นอย่างโน้นอยากให้เป็นอย่างนี้การที่อยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้เรารก็เป็นกระแสคือกระแสความต้องการหรือกระแสความอยากก็คือกระแสตัณหานั่นเองกระแสความอยากกระแสตัณหากระแสความปรารถนาเป็นกระแสของคนเราในใจกระแสในใจของคนที่คนเราเกิดความรู้สึกนึกคิดก็เรียนง่ายว่ากระแสของคนกระแสของคนก็คือกระแสของความอยากความปรารถนาต่อสิ่งทั้งหลายทีนี้ตัวสิ่งนั้นนั่นเองล่ะที่คนเขาไปเกี่ยวข้องมันก็มีความเป็นไปเข้ามาความเป็นไปเข้ามันเองนั้นคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตามกฎธรรมชาตินั่นเราก็ ตอนนี้มันก็เท่ากับว่ามีกระแสสองกระแสหนึ่งกระแสของความอยากความต้องการในใจของคนหรือกระแสตัณหาพูดสั้นๆว่ากระแสของคนก็คือการที่จะให้สิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กระแสนึ่ที่นี่กระแสของไอ้ตัวตัวสิ่งนั้นเองก็คือกระแสของกฎธรรมชาติหรือกระแสธรรมะกระแสความจริงการที่สิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยดูใน2กระแสสิ่งนั้นดูในความรู้สึกนึกคิดของคนก็อยู่ในกระแสของตัณหาความปรารถนาและตัวมันเองก็อยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัยของมันมีสองกระแสโดยท อนี้เมื่มันมี2กระแสเนี่ยเจ้ากระแสนี่โดยมากมันจะไม่ตรงกันกระแสความอยากของคนอยากให้มันเป็นอย่างนี้ส่วนในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสความเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้พอว่า2กระแสนี้ไม่เหมือนกันกระแสความอยากของคนอยากให้เป็นอย่างนั้นไอ้กระแสเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันมก็เป็นไปอย่างนึงเก és, <car> ิดการขัดแย้งกันถามากระแสไหนชนะกระแสความอยากให้เป็นของคนในใจอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นกระแสเข้ามาเองที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยกระแสไหนชนะกระแสเหตุปัจจัยก็เป็นกระแสเข้ามาเองก็ชนะเมื่อกระแสเหตุปั ถูกบีก็เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาใช่ไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์อันนี้แหละครับก็เป็น2กระแสะรรรกระแสคนกระแสธรรมชาติหรือกระแสตัณหากระแสของความไปไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันขัด ก, กันนี่คือเรื่องของมนุษย์ที่เกิดทุกข์โดยทั่วไปอันนี้มนุษย์อย่างนี้ก็เกิดมีความทุกข์แน่นอนเมื่อไปสัมผัสกับอะไรก็ตามจะเอาแต่กระแสตัณหากระแสความปรถานางตัวแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ทำตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่ได้ผลหนึ่งตัวเองก็ทุกข์สองก็ไม่ได้ทำตามเหตุปัจจัยด้วยปัญญามันก็ไม่ได้ ผ, ดดดผล ก็พัฒนาบัญญาขึ้นมาตอนนี้แทนที่จะเอาตามความอยากของตัวเองก็อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นงไงกาหนดว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมอย่างนี้เราเราก็รู้แล้วว่าเออถ้าเราต้องการให้เป็นยังไงเราก็ต้องไปทำตามเหตุปจัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเออรู้ทันแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันมันจะไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาหรือตัณหาของเราแน่นอนงั้นถ้าจะ อ๋อเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นมันจะทำให้เกิดผลที่เราไม่ต้องการเกิดผลเสียเราก็ไปแก้ไขทำจับป้องกันเหตุปัจจัยนั้นเสียทีนี้เราจะให้มันเป็นยังไงเราก็ไปศึกษาว่าจะเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้นทำให้ตามเหตุปัจจัยนั้นก็จะได้ผลเท่าที่ทาเหตุปัจจัยได้สำเร็จใช่หมตอนนี้หนึ่งกระแสในใจของคนเปลี่ยนเปกระแสปัญญาไม่ใช่กระแสความอยากมาเป็นตัวกำหนดเป็นกระแสปัญญากระแสปัญญาก็ไปรู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยของมันทีนี้สิ่งนั้นเองมันก็เป็นตาม กระแสของคนก็คือกระแสปัญญาที่รู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยของมันแลวกระแสของสิ่งนัรร้นเองก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นอันว่ากระแสคนกับกรสปัญญาประรสานเป็นระสเดียวกันแล้วตอนนี้ไม่มีความขัดแย้งนั้นเราก็รู้ตามเหตุปัจจัยว่าอะไรมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จแค่ไห น, นตามเหตุปัจจัยของมันเราทาตามเหตุปัจจัยหนึ่งใจก็ไม่ทุกสองทได้ผลดีที่สุดถ้ามันไม่สำเร็จก็รู้อ่ะก็รู้ว่าอ๋อเหตุปัจจัยมันไม่พอที่ใช่เปอย่างนั้นราอาจจะศึกษาเหตุปัจจัยรู้ไม ชีวิตของท่านผู้ที่อยู่ปัญญาเพราะนั้นพระอรหันต์นี่ท่านพ้นจากการอยู่ในวตัณหามาเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสก็เป็นอย่างเี้ยไม่ใช่หมดกิเลสเฉยๆแต่มาที่อยู่ปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงและทการไปตามปัญญาแล้วก็ด้วยความรู้เท่าทันในปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนะแปลว่าทั้งจิตที่รู้เท่าทันก็ไม่ทุกสบายตงรงแล้วก็แถมทาการก็ได้ผลด้วยพระธรรตรองเหตุปัจจัยของมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นล เมื่อท่านอยู่ในปัญญาอย่างนี้จะไม่เกิดเอาอารมณ์ต่างๆมาปรุงแต่งจิตใจสิ่งต่างๆนี้จะไม่ตกค้างเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะมีลักษณะอย่างหนึ่งท่เรียกว่าไม่มีอะไรค้างใจคนธรรมดานี่จะมีปัญหาเรื่องสิ่งค้างใจเยอะเพราะสิ่งค้างใจมันก็มาระคายกระทบกระเทือนติดขัดในรบกวนในใจให้ไม่สบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบานี่พระอรหันต์นี่ก็ไม่มีอะไรค้างใจใจก็โล่งโปร่งแล้วด้วย ป, ปัญญางนั้นก็เป็นปจิตที่มองอะไรแต่ละในระบบความสาัมพันธ์าเหตุปจยยัจจัยส่ทั้งหลาย นั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนเป็นจิตไร้พรมแดนเดี๋ยวนี้ตอมไทยทามาลงการภิวัตรหมายถึงว่าไร้พรมแดนแต่ว่าในขณะที่โลกไร้พรมแดนทางด้านการถ่าวสารข้อมูลเรื่องรูปธรรมแต่จิตของมนุษย์นี่ยิงแคบใหญ่เลยใช่ไหมจิตมนุษย์ยุคนี้ตรงกับทาสภาพะของเรื่องการสื่อสารเรื่องของความเจริญของโลกเราพูดได้ยความภูมิใจว่าโลกไร้พรมแดนแต่จิตของมนุษย์ยิ่งแคบนครับอีกมีแต่สิ่งที่ข้าค้างในใจมีแต no wonder, ่สิ่งที่บีดขั้นมีแต่ความทับแผลงไปทุกทีน่ิพระอรหัน นถ้าห า, าโลกเป็นไร้พรมแดนแล้วจะทาให้คนอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาคมให้จิตไร้พรมแดนด้วยแต่ น, นีมันสวนทางกันเ น, นิคนมันทับแคบที่สุดยิ่งโลกยิ่งขยายกว้างไร้พรมแดนจิตคนก็ยิ่งแคบขทุทีปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้นไปแตพระหนก็แปลว่าเป็นผู้่จิตไร้พรมแดนอันนี้ไม่มีอะไรข้างใจไม่มีอะไรกงังวลจิตก็สบ า, ายไม่มีอะไรถูกรบกวนเลยไม่มีอะไระคายเคืองนีจิตอย่างนี้เป็นจิตปลอดโล่งสาบายเป็นภาวะที่พร้อมที่จะ ส, สูยสุอื่นสูอย่างนี้เป็นสุขพื้นฐานของความสุขระดับอ พอมองลึกลงไปในใจเนี่ยมันมีอะไรติดข้างในใจมีความห่วงมีความกังวลมีความาดบนมีความโลแงคนมนุษย์ที่อยู่ในระดับของความสุขจากการเสรจหรือการบรรุสามสุขเมื่อไม่พัฒนาจิตขึ้นตัวเองนะในขณะที่ดูกระซิงเซฟเหล่านั้นจิตม่ได้มีความปลงลงมีความบ่นวาดมีความแยงมีอะไรต่างๆมีความขุมมเพราะฉะนั้นไอ้สุกนั้นก็สุกไม่เต็มที่อ่ะสุไม่ลงไม่ลงเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่ามาช่วยทำให้ตื่นเต้นในช่วคราวหรือมาเป็นแม้จะได้สมาธิกเป็นสิ่ ที่เป็นสุขอย่างไม่กิดปุงแต่งเนี่ยมันไม่มีอะไรไปบกูนล้ขายคืนในจิตที่ลึกเพราะฉะนั้นมันเป็นความพร้อมของการที่จะเสวยความสุขจะไปเสวยความสุขอะไรก็ได้เต็มที่จะไปเสวยสุขเก่กสมาธิก็ได้สุขเต็มที่ใช่ไมไม่มีอะไรลึกลงไปไม่มีอะไรรบกวดหรือแม้แต่มาเสพกามาสุขก็สุขเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าพระโซดาบานโดาบานี่ยังเสพกามอยู่นะโดาบันเป็นอริยบุคคลแต่ก็ในสุขในแง่ของอิสระก็ยังไม่สูงสุดยังไม่บริบูรณ์แต่เรียกว่าท่านอยู่ในแนวทางนี้แหละเป็นผู้มีสุ ลลงไปไม่มีอะไระายเคืองมีสิ่งะายเคืองน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อมาอยู่กับความสุบแบบชนก็จะมีความสุนั้นเต็มที่ด้วยใช่แชนี่เพูดเลยนตามปกติเสพสุเนี่ยนในใจมันยังมีอะไรละายเคืองอยู่ไม่สุเต็มที่อ่ะนี่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างกสดาันกับมนุษย์ชนว่ากสุสดาันีมีทุกเหลือน้อยวันนีนคนวนคนชนในทุกที่หเหลือนี่เมืนภูเขาทิมาราย ทุกในใจของพระโสดาบันมนหลุลนันคิดดูกว่าทุกในใจของพระโสดากทุกของู้ื่อนี่ต่างกันแค่ไหนนะฮะันไอ้ส่วนรัครคืในใจมันมีน้อยนเน้นั่นท่านจะเ ส, สวยความสุขตนท่านก็สุขได้เต็มที่เพราะว่าลึกลงไปข้างในไม่มีสิ่งที่จะมาก่อูรรคคื น, าคานจิตใจอย่างที่วามาแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปเป็นพระอราหารันต์เสร็จแล้วซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดที่จะสร้อยสุขทุกอย่างและจะสรยความสุขตรไหนก็ได้เต็มที่เนี่ยแต่บางทีตายเป็นมะพร้า ก็ผมก็เคยมาเล่าแล้วเช่นอย่างเรื่องกรณีที่ว่าเหมือนกับคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนแต่ก่อนนี้ท่านได้เกาที่คันนะหรือเอาตัวไปย่างไฟก็มีความสุขแล้ต่อมาพอหายโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ไม่เห็นไม่อยากมาเสพสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟอีกใช่ไหมหรือแตเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความสุขสองแบบคือสุขแบบเกาที่คันกับสุขแบบไม่มีที่ขันจะต้องเกาเนี่ยสแบบเนี่ยคนที่มีที่ขันจะต้องเกาเนี่ยมันก็ได้ความสุขจากการเตกาที่คันแต่คนที่ไม่มีที่ขันจะต้องเกามันเป็นความสุขในตัวเขาก็ไม่เห็นความจาเป็นจะต้อง อันนี้มันก็เลยใจของคนที่อยู่ระดับสูงนี่คนระดับล่างก็มองไม่ถึงไม่ทไมท่านจะอยู่อย่างนั้นใช่ไหอันนี้ถ้าท่านมีจิตแล้วาท่านจะเซลิสุขอย่านี้ท่านจะสุขเี่ยงสมบูรณ์เพราะท่านจะมีอะไรที่จะมาล้างทายคืนในใจหวัดวันกงังวลอะไรที่จะทำให้มัวหมองที่ทให้สุขมันไม่ถึงที่เนีอันนี้มายัางอุปมาไว้อีกพระพุทธเจ้าประทัดอุปม า, าเปรียดเทียบไว้ว่าอย่างเด็กที่เกิดใหม่ๆนี่เล่นไม่แต่มูดพูดของตนเองคือเล่นอุจาระภาษาของตนเองแล้วเด็กนั้นก็สนุกสนานใช่ไหมอ่ะ ปืนบ้างอะไรบ้างสายบ้างเล่นวันเล่นเราเนี้ยแล่หมอนเล็กๆต่างๆแล้วก็รักสิ่งเราเนี้ยมีความติดผูกพันอย่างยิ่งเลยรักอย่างชีวิตเลยนะเด็กบางคนนี่ของรักของเขานี่ยใครเป็นแต่นี่จะร้องให้เหมือนเป็นชีวิตของเขาเลยใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่ไปดูไปเห็นเด็กมีอาการอย่างเนี้ยก็จะขํอ่บางทีก็ไปแกล้งเด็กไปลอเด็กเนี่ยเห็นเขารักของนี่มาแต่ดึงเอาไปเเด็กก็จะร้องไห้เป็นวเป็นอันตอนนั้นเด็กนี่ก็มีความสุขจากของเล่นเล็กๆน้อยอย่างนี้ต่อมาเด็กคนที่โตขึ้นพเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไม ถ้าจิตพัฒนาไปเป็นพระสานมาเห็นนุมสามีความสุขแบบนี้ก็เหมือนกับคนผู้ใหญ่ที่ไปเห็นของเด็กเล่นของเล่นหรือก็ไปเห็นเด็กเล่นเล่นบร่เนขุด เ, เ, เ, เพราะฉะนั้นจิตของคนก็พัฒน า, พนาได้เป็นระดับระดับนี่พระเจ้า ก, ก็ตรัส บ, บอกว่าเนี่ยถ้าเราได้ไบรรลุสุขที่ตนนี้สูงกว่าเราก็รับรองตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่บินกลับมาสูก่การบรรุนะพระเจ้าตรัสจริงเลยแต่นี่เพราะเราได้บรรลุสุขที่ตนนี้สูงกว่าเราจรึงไม่บนมินกลับมาหากำบรรลุนี่การที่พระเจ้าไม่เ็นมาไม่มายุ่งกับเรื่องเหล่านี้ก็เพราะว่าจิตเนี่ อันนี้ลักษณะความสุขแบบนี้ก็จะเป็นสุขที่มีอยู่ประจําในตัวเองเลยกลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองความสุขกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจของท่านผู้นั้นแต่ตอนนี้ตอนต้นเนีความสุขมันไม่เป็นคุณสมบัติภายในนะเป็นสิ่งที่ต้องหามนุษย์ยุคนี้ก็จะพูดกันบ่อยว่าหาความสุขการที่พูดว่าหาความสุขนี่ก็เท่ากับยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสุขในตัวใช่ไหมความสุคนี่ต้องไปหาก็แสดงว่าตัวเองขาดความสุขนั้นก็ไปเที่ยววิ่งทะยานหากันก็เลยแย่งกันเพราะว่าความสุขนั้นต้องหาก็แย ความสุขนั้นอยู่ภายในตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องไปทีหาใภายนอกไม่ขึ้นต่อว่าถูกสิ่งเสก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขนีจะเป็นอิสระมากขตามลดับจนถึงขั้นสูงสุดที่ว่าเนือการปรุงแต่งในที่สุดความสุขจะกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวและตลอดเวลาไ้ความสุขต้องหานี่มันไม่อยู่ในตัวด้วยและมันไม่อยู่ตลอดเวลาด้วยมันได้เฉพาะเวลาเสพแต่ความสุขแบบอิสระนี่เป็นความสุขที่มีประจำตัวเลยคุณเป็นคุณสมบัติของชีวิตเมื่อมันเป็นคุณสมบัติของชีวิต ทำในความสุขมาอยู่ในตัวไม่ต้องหาความสุขว่าคนจะพัฒนามาถึงระดับนี้ได้นี่คุณสมบัติด้าอื่มาเต็มบริบูรณ์มมร ห, มหมดแล้วสีนก็พัฒนามาจตมสมบูรณ์จิตใจก็พัฒนามาตสมบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาเ็สมบูรณ์ด้านพฤติกรรมจิตใจก็มาสมบูรณ์ด้วยมาถึงจุดนี้อะไรไสมบูรณ์หมดแล้วความสุขก็สมบูรณ์เป็นคนเต็มภายในตอนนี้ทันเร็ไม่มีอะไรต้องทาเพื่อตัวเองอีกสาระเร็วเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนคนเรานี่ปกติมันต้องหาประโยชน์ตนใช่ไหมมันนี่ไม่พ ประโยชน์ท hmm. ี่เป็นจุดหมายให้ชีวิตเขาตนยังไม่ถึงนั้นพระโพธิษัต์ก็เป็นคุณธรรมความดีได้กอเสียสละใความตั้งใจแต่ก็ยังมีเรื่องเพื่อตัวเองแต่พระอรหันต์นี่จะเป็นผู้ที่ว่าบรรลุประโยชน์ตนแล้วเพราะว่าพัฒนาตัวเองสมบูรณ์แล้วเป็นคนเต็มก็เลยไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนจุดนี้ที่สำคัญที่พระอรหันต์ต่างจากพระโพิสัต์พระิสัต์จะเ่จะทำเป็นความดียังไงในบางทีบาเป็นความดีจนกระทั่งคนอื่นทาไม่ได้ เรืดี ป, มมปีนะะมว่ า, าสละเต็มที่ทำได้ปฏิานสละชีวิตขตองตัวเองต่างๆได้หมดเพื่อทความดีนั้นแต่ก็เพื่อจุดหมายคือบรรลุประโยชน์ตนคือพัฒนาตนให้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่ต้องทาเพื่อตอนเองอยู่แต่พระอรหันต์นี่บรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่มีอะไรต้องทเพื่อตอนเองอีกเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์เพราะนั้นท่นานก็ไม่มีเมื่อไม่มีอะไรเพื่อตอนเองอีกพลังชีวิตที่มีอยู่ก็เอาไปใช้เพื่อดดเพ่งปดลบุคุอื่นเพราะว่าปฏารจิตใจปัญญาพัฒนาดีแล้วมีความรู้คาสามารถแล้วภาพก็ ตัวเองมีความสามารถไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกพลังชีวิตก็มีอยู่ก็เลยเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยนะ์ไปช่วยเขาให้เป็นอิสระเขายาก้เป็นอิสระก็ไปช่วยเขาให้เป็นอิสระดันั้นพระอรหันต์ลงทำพระพุทธเจ้าด้วยจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องมีการคำนงึงตัวเองอีกต่อไปเพราะตัวเองไดมีสุขอยู่ประจาเป็นเนื้อตัวเป็นุณสมบัตรภายในแล้วจะไปทอะไรก็ได้ไปเดินทางไปจาไปไหนกะ็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาดะนั้นก็เอาความสุขไปเผยแพร่เอาความสุขไปให้ ตรงทามมนุษย์ัชนที่มีทุกข์ก็เอาทุกข์ไประบาย hey! ให้แก่ผู้อื่นและไปหาความสุขให้ตัวเองแง่เร่งความสุขกันส่วนพระอรหันต์นี่มีปาศึกบริบูรณ์แล้วก็เอาความสุขนั้นไประบายให้แก่ผู้อื่นไปแจกจ่ายความสุขไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือชีวิตของพระอรหันต์เรานั้ น, น, นก็เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองต้องทเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่อันนี้ลักษณะจิตใจที่เป็นพื้นของพระอรหันต์ก็ไปอาอยู่ปัญญาไม่อยู่ที่ปัญญาจิตใจนี้จะมีความรู้สึกที่ ก็ขอเล่าออกมาซ้ำอีกทีที่บอกว่าเหมือนอย่างสารธีขับรถม้าหรือขับรถยนต์นี่ก็ได้เอาสมัยก่อนที่ขับรถม้าสารทีขับรถม้านี่ถ้าไปผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเวลาขับรถม้าออกมาตอนแรกก็จะต้องขยับแซดึงบางเหยียดอะไรต่างๆนี่เพื่อจะให้รถและให้ม้านำรถเนี่ยเข้าไปสู่ทางเมื่อนำรถเข้าไปสู่ทางวิ่งตรงทางดีแล้วความเร็วได้ที่แล้วเนี่ยสารธีที่มีความชำนาญมีปัญญารู้ว่าการขับรถม้าที่ทํำยังไงแล้ถ้ามีอะไรปัญหาเกิดขึ้นเดยวแก้ไขยังไงด้วยความรู้เข้าใจอย่างนี้ใจใจก็จะสงบแนวดิ่งสบายเรีียยบื่่่นมาาโดทว พอทุกอย่างลงตัวอย่างที่บเมื่อกี้ว่าม้าวิ่งเข้าทีดีความเร็วสนิทดีตรงทางดีนะเขาก็นั่งเรีบยบใจเขาเป็นอุเบกขาแต่เป็นจิตใจจิตใ จ, จที่เป็นอุเบกขาคือจิตใจที่มีปัญญารู้พร้อมเลยถ้าม้าวิ่งผิดความเร็วนิดนึงจะออกนอกทางนิดนึงเลเนี่ยเขาจะแก้ในทันคันเลยจิตที่มีความรู้ปัญญาอยู่เต็มบริบูรณ์นะแตะอ่อืนตัวอย่ตลอดเวลาแต่เรียบสงบดีอย่างเงี้ยเป็นจิตที่เรียกว่าอุเบกขาอันนี้คนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยในการเดินทางชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับคนขับรถม้าที่ยังไม่ สิ่งทั้งหลายรู้ธรรมะรู้ความเป็นไปของธรรมชาติจนกระทั่งจิตนี้ลงตัวพอดีกับชีวิตของตนเองแล้วเพราะฉะนั้นดูด้วยความที่มีสติมีปัญญารู้ข้าใจเต็มที่จิตลงตัวก็เป็นอุเบกขาแต่จิตที่เรียบสบายตลอดเวลาเลยนะนี่ก็เป็นประมาณหนึ่งเพื่อเห็นถึงลักษณะจิตใจว่าอุเบกขาที่สําคัญมันเหนือกระสุนสุกนี่ยังต่ำกว่าอุเบกขานะีเพราะว่าสุกมันยังมีลักษณะที่ต้องอาศัยทําให้อะไรคล้ายๆว่าเป็นพันุ์ที่ยังไม่ไม่ลงตัวทีเดียวนะเพราะจิตลงตัวนี่มันจะเป็นอุเบกขาเรียบสงบเป็นจิิตททีีี่่่่่ออออยูููใในนนนภาาาววะสงงงมกก็็ั้้ไดดดพคเรืข สุ ข, ขันเนรุแต่งก็พอสมควรได้เวลาไม่อยากมองกคิดกัรนี้อนี่องของเราเราเรามองในแง่ของการที่จะฝึกฝนในมนุษยุชนแต่พระอรหันจะเป็นปกติอยนานี้ น, น, น, นเราพยายามฝึกะทำให้นคนที่พยายามทำตามหลักการพุทธศาสนาขึ้นมาฝึกตัวขึ้นมาให้มองอะไรแคบๆมองให้กว้างมองให้เปิดทั่วโลกมองให้เห็นรอบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยในชีวิตในสังคมในโลกนี้ทั้งหมดแล้วคิดไกลเห็นกระบวนการอิทธิใจที่สืบมาจากอดีตไปสู่อนาคตอย่างไรใช่หแล้วฝ่ายสูงก็คือตั้งเป้าหมาย ดำเนินชิตหรือทำกิจกรรมเพื่อจุดมว่หมายที่ดีงามไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เพียเพื่อลาบยศอะไรต่างเป็นของที่ต่ำนีมีอะไรต้องใส่นะฮะมันเป็นร่งของใ่กพมนรื่องวาสูงสุดอย่างนิทานแล้วเอายตูพูก็่าจะเออไมหมดเป็นสัรอมังมีเรื่องอกสิ่ี่ดาเป็นเรืงทีุ่มมองัรสึกท่ากันไมุนมารับเรียกเข้ามี่รที่มัความกือว่าจพระอรหันต์ปัญญา่เกิด่นป็นความมันมีมัน่นที่เหมกันเลย แต่ว่าต่าง น, นเนี่ยคนสมักว่าอื่นใช่ไหมอย่างความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันระนี่มันเากิดการสะสมด้วยใช่อย่างความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่มีกิเลสก็เหมือนกันแต่พลังที่จะใช้ขอบเขตความสามารถไม่เหมือนกันใช่อย่างแนวโน้มไปย่างไม่เหมือนกดีอย่างพระมักดชอบอยู่ป่าใช่ภาษาที่บุตรท่านชอบดูการผู้คนไปช่วยเด็กเล็กเอามาเรียนหนังสือจากท่าน้สอะไรต่างๆท่านเอาอยุ่งกเรื่องนไม่เหมือนกันพันธยา่ต่างๆไป